ทั้งหมดฟังธรรมแล้วต้องการออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมทั้งหมดจึงได้ประพฤติกุมาเรอประมาจันอยู่ถึงสองหมื่นปีคือประพฤติพระมจันตั้งแต่ยังเป็นกุมารีในบรรดาพระราชธิดาเจ็พระองค์นั้นคือพระนางสามณีหนึ่งพระนางสา ม, มานะคุตตาหนึ่งนางภิกษุณีหนึ่ง นางพิกุธาสิกาหนึ่งนางธรรมมาหนึ่งนางสุธรรมมาหนึ่งและนางสังคธาสิกาหนึ่งพระราชธิดาทั้งเจดนั้นชาติสุดท้ายได้มาเป็นพระเขมาเถรีหนึ่งพระอุบลวัร น, นาเถรีหนึ่งพระปตาจารีเถรีหนึ่งพระกุณฑลเกสาเถรีหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีหนึ่ง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 พระนางก็สามารถทำให้แจ้งพระอรหันตได้ครั้งหนึ่งพระเทวีได้ตอบปัญหาโตระนวัตถุแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลถึงปัญหานั้นแม้พระราชาทรงนำไปทูลถามแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเหมือนกับที่พระเทวีตอบด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าพระเถวีเป็นเลือดทางมีปัญญามาก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 และได้รับคำตอบเช่นเดียวกับที่พระเทรีตอบทุกประการทำให้พระราชาอชัศจรรย์พระไทยมากทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าค้าไม่เคยมีพระเจ้าค้าในอัฐากับอัถาพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของสาวิกาเทียบกันได้เข้ากันได้ไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญในบาลีอปทานเล่าว่า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 จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพ ช, ชิตในกรุงรัชครื อุบลวนนาเถวีภิกษุณีผู้เลิศทางมีลทธิ์มากอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปถุมุตระนางเกิดเป็นนางนาคกัญญานาคเพศเมียชื่อว่าวิมาลาเป็นผู้เหนือกว่านาค ก, กัญญาทั้งปวงครั้งนั้นพญานาคชื่อมโหระคะนิ ม, มนพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกมาเสวยในภพนาค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 เป็นพระราชธิดาองค์ที่สองมีชื่อว่าสมณีคุตตาฟังธรรมแล้วต้องการออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมอย่างไรก็ตามพวกนางได้มีความสุขอยู่ครองเรือนและประพฤติประมาจันตั้งแต่ยังเป็นกุมารีรวมสองหมื่นปีเพลิดเพลินยินดีที่ได้อุปถักพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดในดาวดึงเทวโลก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 เด็ดรวงข้าวสาลีใกล้คณานางคั่วข้าตอกนั้นได้500้อยดอกถวายแด่พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติใส่เข้าตอกในบาดแล้วปิดบาดด้วยดอกบัวอธิษฐานว่าขอจงมีบุตรจำนวนเท่าข้าวตอกขอดอกบัวจงผุดขึ้นทุกย่างก้าวที่ทุกที่ที่ดิฉันเกิดแล้วจากนั้นนางเกิดในเทวโลก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 จึงลงน้ำจับดอกบัวเพื่อจะดูทันทีที่ถูกดอกบัวดอกก็บานออกดาบทพบเด็กหญิงนอนอยู่ภายในก็เกิดความรักดุดทิดดาตั้งชื่อให้ว่าปฐุมวดีนำกลับไปยังบรณารณศาลาพร้อมด้วยดอกบัวแล้วเลี้ยงดูด้วยน้ำนมที่เกิดจากหัวแม่มือของดาบทเมื่อดอกบัวเหี่ยวก็นำดอกอื่นมาเปลี่ยนให้ทารกนอน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 ยังทรงไม่มีพระสติหญิงรับใช้ได้ช่วยโอกาสนี้นำทอดไม้มาวางแล้วใช้เลือดทาไว้ลักรอบนำกุมารทั้งหมดไปให้ช่างกลึงบรรจุลงในหีบแล้วตีตราไวท่านว่าด้วยบุญของทารกเหล่านั้นน้ำนมได้เกิดที่หัวแม่มือของทารกทั้งหมดฝ่ายพระนางปฐุมวดีรู้สึกพระองค์แล้วถามถึงทารก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 คือพระมหาปทุมเมื่อทุกพระองค์เจริญพระชนษา16ปีอยู่มาวันหนึ่งได้พากันไปเล่นที่สะทำให้เห็นดอกบัวใหม่เบ่งบานดอกบัวเก่าร่วงหลน่นจึงเห็นนิมิตแห่งความไม่เที่ยงทรงบรรลุปเจปกโพธิญาณทั้งหมดแล้วไปอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อนันทมูลกะพระนางทรงเศร้าโศกยิ่งนักที่กลายเป็นคนไร้บุตร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 มีจิตรักใคร่พระเถรีมาตั้งแต่ยังเป็นคฤลืหัดเขาแอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเตียงในกระท่อมเมื่อพระเถรีกลับเข้าสู่กระท่อมเขาก็ปลุกปั้มคมขืนและก็หนีออกไปถูกธรณีสูบตายประชาชนที่รู้ข่าวพากันพูดว่าพระอรหันต์อย่างพระเถรีนี้น่าจะยังยินดีอยู่ในกามสุข